นั้นะให้ทานก็ให้มหาพูดรักษาศีลก็รักษามหาพูดว่าอย่าไปโลภไปโกรธไปหลงเกี่ยวกับมหาพูดนะนะอย่าไปยุ่งกับมหาพูดเช่นฆ่าสัตว์คือโกรธมหาพูดใช่ไหมรักทรัพย์ก็ฉันทราคาในมหาพูดหรือดื่มสุราก็ดื่มมหาพูดก็เวน้เวนๆหน่อยอย่าไปยุ่งกับมหาพูดให้มากนะักี้พอจเจริญสมะถะทำเมตตาก็ปรารถนาดีให้มหาพูดจเจริญเจริญ นะบุคคลผู้มีมหาผู้เรียกว่าสัตว์ใช่ไหมให้สัตว์เจ้าของมหาผู้นั้นมีความสุขกันนะถ้าเป็นธ า, าตุกรรมฐานปัทวีมันรู้ไหมว่ามันอยู่กับอาโปเตโชวาโยไม่รู้วาโยมันรู้ไหมว่ามันอาศัยเ ต, ตโชอาโปวาโยอยู่คิดอย่างนี้ไข้ควรอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นธาตุกรรมฐานเนี่ย น, นะตามเหตุพวกนี้โดยอนิจจังหรือโดยาากรรมสกทาตนะกรรมสกทาต้องแม่นเล กรรมสักดตาเป็นอย่างดีก็เพื่อเบื่อน่ายเพื่อบริจาคมหาพุทนฉันอนุปัสนาเนี่ยตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยพวกเนี่ยเป็นการบริจาคมหาพุทธถ้า น, นี้นะถ้าฉันไม่มีมหาพูดเป็นอารมณ์บ้างจะมีความสุขไม่ใช่น้อยอะนะถ้าดับมหาพูดโดยประการทั้งพวงจะดีแค่ไหนเนี่ยนะจะเริ่มบริจาคมหาพูดธกรรมแมรรการพระคุณเจ้านะเจ้าคะแล้วถ้าเกิดว่าอารุ ป, ปรพรมเนี่ยเขาไม่มี มหาพูดแล้วเนี่ยเขาต้องติดในอะไรเจ้าคะเขาก็ติดในนามไงธาตุกรรมฐานที่เป็นรูปกอันเนี้ยในรูปประพบส่วนอรูปประพบนี่ยเขาตามเห็นอนุ ป, ปัสนาในนามอย่างเดียวผู้ที่จะเจริญวิปัสนาในอรูปประพบนเนี่ยนะผู้นั้นต้องเป็นพระโสดาบันกันแล้วถ้าบุคคลต่ำกว่าพระโสดาบันหมดสิทธิ์ต้องเป็นพระอริยะไปแล้วจึงจะไปเจริญใน ในอารูปได้ทีนี้ทบทวนหนึ่งนะว่ามาดูเมื่อเจริญอนุปัสนาตามหลักบริบูรณ์อย่างเงี้ยเขาจึงจะเอาในในยะของธรรมะเนี่ยนะสามสิบประการเนี่ยมามาจับพระพอาจารย์พระอาจารย์สิคะเดี๋ยวอ้วนขอถามนานะฮะอย่างเอ่อที่ว่าความสมบูรณ์ของอนิจจังอติจาอัอนิจจานุขา อ น, นิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตานี่ฮะต้องเป็นความบริบูรณ์ก่อนถึงจะออพิจารณาเนือ ง, งถึงนิพพิธาแล้วก็เวลาคานิโลทะหรือปฏินิสคาแต่ว่าถ้าเราพิจารณาถึงการสละหรือที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมหาพูดเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นความสมบูรณ์ของอ น, นิจจังก่อนหรือเปล่าอ น, นิจจานุปัสนาหรือว่าการพิจารณาทุก ข, ขานุปัสนาอนัตตาก่อนหรือเปล่า ถึงจะไปพิจารณาตรงนั้นะเขามาอยากให้เข้าใจแบบเราเรียนอภิธรรมัสังคะอภิธรรมัสังฆก็มีประชิหนึ่งประชิสองประชิสามประชสี่ประชิห้าประชิดหกประชิดเจ็ดแปดเก้าเขาบอกว่าต้องเรียนประชิหนึ่งให้ดีก่อนนะจึงจะเรียนประชิสองได้เรียนหนึ่งสองให้แม่นนะแล้วสามจะดีเองหนึ่งสองสามดีประชิดสี่ไม่ยากนะเนี่หนึ่งงสามสี่แจว เฉท่าก็สบายมากเนี่ยมันก็เป็นไปตามเนี่ยนะถามว่าแล้วเมื่อไหรเราจะบอกว่าปริเฉดหนึ่งเราแม่นเอาแค่ไหน อ, อตรงนี้แหละก็สลับไปเรื่อยๆนะดูไปเฉดหนึ่งเอาไปทําลองอ่านไปเฉดสองดูซีการพิจารณาพวกนี้คําว่าบริบูรณ์จริงๆอ่ะนะเมื่อเราไปเจริญเบื้องสูงไม่ได้แสดงว่าล่างไม่ดีนะนั่นก็สลับกับการพิจารณาไปอันนี้จังทุกขังอนะัตตา ม, มันเป็นคําที่ใช้แทนกัน อันนะอนนี้จังทุกขังอนัตตาพวกนี้คือสิ่งเดียวกันบางอะนะแล้วก็ต่อด้วยนิพพทาบางคนเนี่ยเบื่อเพราะความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นบางคนเนี่ยเบื่อเพราะความทุกข์ของสิ่งนั้นบางคนเนี่ยเบื่อความเพราะเป็นอนัตตาของสิ่งนั้นอย่างพูดอยึางในหนึ่งนะในคนที่มองชีวิตเนี่ยกลุ่มหนึ่งมองถึงว่า ชีวิตนี้น้อยนักอย่างเงี้ยพวกที่คิดว well ่าชีวิตนี้น้อยนักนะปกติกําลังสมบูรณ์พูนสุขอยู่นะคนที่มาคิดอย่างนี้แล้วน้อยนักแล้วมันน่าเบื่อหนายมันจะไล่มาอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยนะชีวิตนี้ทุกนักอันนี้อันนี้สบายนะกลุ่มนี้สบายอยู่ก็เลยมองว่าชีวิตนี้น้อยนักอันนี้จังแล้วเบื่อกลุ่มนี้ชีวิตนี้ทุกนักทุกนักก็แปลว่าป่วยหนักนะนะ ก็คือป่วยพวกนี้ก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างเดือดร้อนรวมๆเลยนะกลุ่มเนี้ยเดือดร้อนทุกข์นักมันทุกข์ขนาดนี้มันมันมันไม่น่าเพลดิดเพลินอะไรเลยบางคนเนี้ยเห็นทั้งน้อยด้วยเห็นทั้งเดือดร้อนด้วยพวกนี้ก็บอกมันมีสาระตรงไหนน้อยก็น้อยทุกข์ก็ทุกข์อย่างเงี้ยมันดีตรงไหนพวกนี้ก็คือพวกอนัตตาพวกนี้ปัญญาสูงปัญญาเยอะจะนำมาเส่งความเบื่อหน่ายอย่างนี้ อถ้าเบื่อหน่ายจริงมันก็ต้องราคาทีราคะมันก็ต้องมีเองราคาในหมายถึงว่าการจับต้องอนะการจับต้องอนะ่ะพรานมันก็เลิกเรียกว่ามันมันเริ่มชักไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เพลิดเพลินแล้วก็ไม่น่าไม่น่าครอบครองอ่ะนะนี่โรทะแต่ทายๆว่าไม่สร้างต้องการดับโดยประการทั้งปวง ต้องการเลิกสร้างเลิกตัดภารสัทีหนึ่งเหมือนอะไรนะั้นเหมือนคนที่เรียกว่าถอนรถมาถอนรถมาก็เดือดร้อนในเรื่องส่งรถเนี่ยเดือดร้อนมากๆเลยแหละ<อ>ข้าว ก, ก็กินได้น้อยลงอะไรน้อยลงพอนเสร็จไปคันหนึ่งนะบอกว่าเลิกพอนนะขอแค่คันใหม่ไม่ต้องแล้วพอแล้วนีคือบางคนถึงเห็นถึงความเดือดร้อนเห็นถึงความไม่น่ายินดีเสียก็บ่อยอย่างเนงะี้ยพอมาเนี่ยมีอยู่ทั้ง ไม่ค่อยชอบคอมพิวเตอร์เท่าไหร่ทำไมรู้ไหมมีอยู่เครื่องที่หนึ่งเขาถวายมาไว้ที่วัด ก, ก็เครื่องบุราอามพี่คนโลกโรงงานมาแล้วม า, มาหมดเวลาไม่ต่ำกว่าร้อยชั่วโมงเนี่ยเพื่อเกี่ยวข้องกับว่าทำยังไงจะซ่อมมันได้ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้การได้งานอะไรหรอกหมดไปแล้ว <c oughs> เครื่องที่สอง <c oughs> แล้วก็ยังอีก เดือร้อนมากเลยนะวุ่นวายคนอื่นก็เป็นสิบสิบคนเลยนะหาช่างหาอะไรมาแล้วก็บอกโอ้ยฝรั่งคนห น, นึ่งว่ามันโซโล่เขามันเขามันยังคขำทุกทุกวันก็ บ, บ่นแล้วก็พูดตัดขึ้นเสียงยนะเขามำทุกวันนี่เลยนะเครื่องที่สามเนี่ยก็อยังต้มไปแล้วไปตัดต่อเทปบอกโอ้หลังจากนั้นเนี่ไม่เอาแล้วแล้วก็ป่วยทั้งหากบอกว่า ถามว่าอยากได้อะไรมบอกโอ้ยนึกถึงอะไรจะขนลุกไปได้เลยนะนคือมันก็เป็นลักษณะนี้ทําให้เห็นว่าเออถามว่าจะเอาอีกไหมสักเครื่องหนึ่งว่าไม่มีที่วางคือวัตถุทั้งหลายนะถ้าใครเห็นทุกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้มันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยสนใจสจักเท่าไหร่นะวัตถุในโลกเนี่ยก็เป็นอย่างนี้จริงถ้าตามเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยอะไรมันก็ไม่น่าเพลิดเพลินอะไรเมื่อไม่เพลิดเพลินก็ไม่ ไม่น่าติดข้องเมื่อไม่ติดข้องก็ไม่ต้องการสร้างใหม่เมื่อไม่ต้องการสร้างใหม่เนี่ยไอ้วิธีบริจาคเนี่ยทำยังไงเนี่ยยากมากเนี่ ย, ยนะปฏินิสคานุปัสนานี่ยากที่เรียกว่าปริมันแบ่งเป็นกลุ่มบริจาค ก, กับแล่นไปเนี่ยนะแล่นไปหรือมุ่งมุ่งสู่เหมือนการเดินทางมุ่งสู่อะไรบริจาคเป็นชื่อของอารยมรัก แล่นไปมุ่งสู่นิพพานมุ่งบรรลุอย่างเดียวอันนี้เป็นปฏินิสัก า, านุปัสนาแต่ว่าไม่ใช่บรรลุ ง, ง่ายๆหรอกเห็นมาดูวาระต่อไปวาระต่อไปจริงๆธรรมะเหล่านี้เขาเขาโครงสร้างเขาสัมพันธ์กันนะในข้อในข้อสิบหกเนี่ยนะประกอบไปด้วยอะไรอุปาทปะวะัตตะนิมิตะอายุหณนะเนะี่ยนะคติปฏิสนธิคตินิพพต อุบาติชาติชราพยาธิมรณะโสกาปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาตเขามีคำที่ใช้แทนกันอยู่นะถ้าพูดแบบย่อๆเลยพูดย่อๆมันก็มีอยู่ห้าคำใช่ไหมอุปาทะปวตาปวตาบุปปาธาปวัตตานิมิตาโยหนะปฏิสมทิถ้ามองเนเขา แสดงแบบเป็นไวโพ์กันว่าอุปาทะอุปาทะกับนิพพติเนี่ยคือสิ่งเดียวกันอันนี้เรียกว่าคาที่เป็นเววัจนะเนี่ยนะคำที่ใช้แทนอุปาทะคืออะไรนะคาที่ใช้แทนนิพพติเนะี่ยคที่ใช้แทนคําว่าปวัตต ก, ก็คือคติบวกอุบัติคติบวกอุปัติ หรืออุบัตินั่นเองคำที่ใช้อายุหะณนะคือกรรมเนี่ยนะอันนี้ก็กรรมก็ตรงตร ง, ต, รงตัวปฏิสนธิก็คือชาติส่วนชรามรารนณะเออชราพยาธิมรารนณะโสกปริเทวะอันนี้นุกายาครบสิบห้าแล้วใช่ไหม ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าธรรมมห้าประการเป็นอาทีนวะโทษเนี่ยนะโดยในปฏิสัมพิธาตรงนี้แสดงสิบห้าประการแต่ถ้าแสดงรวบย่อแล้วก็จะมีอยู่แค่ห้าคำกุปาทะความเกิดขึ้นปวตต ะ, ะ, ตะเป็นไปนิมิตะเครื่องหมายอายุหนะกรรมปฏิสนธิชาติ ถ้ามองแบบนี้นะบอกว่าอุปาทะเกิดอุปาทะเนี่ยนะคื อ, ค, อคือการเกิดขึ้นครั้งแรกในภพนี้การเกิดขึ้นในภพนี้เมื่อเกิดขึ้นในภพนี้เนี่ยถามว่าเป็นกลุ่มอะไรวิปากวัฏเป็นกลุ่มวิบากที่มาจากผลของกรรมในอดีตทีนี้เมื่อ เมื่อมันเกิดมาอย่างนี้ยมันเป็นไปยังไงหลังจากเกิดมาแล้วมันไปยังไงปาวัตตะเขาเขาเราเคยได้ยินไหมปฏิสนธิขณะปาวัติการปฏิสนธิการกับปาวัติการไอปาติการตัวนี้ยคือปาวัตตะเห็นไหมปาวัตตะก็คือาปาวัติการแปลว่าเป็นไปมายัางไงนะพูดแบบภาษาเราง่ายๆเราทั้งหลายมาสู่ความมาชาติเนี่ยมายัางไงก็คือมาเกิด พอมาเกิดแล้วหลังจากเกิดแล้วไปยังไงกันปวตนะเป็นไปยังไงชีวิตหลังจากเกิดมาแล้วเป็นไปยังไงเรียกว่าเป็นปวตะทีนี้เป็นประเภทแบบคติไหนเป็นคติกลุ่มไหนเป็นประเภทกามสุขติใช่ไหมเป็นประเภทกามสุขติเป็นต้นชีวิตที่เป็นไปอย่างนี้เนะี่ยถามว่ารู้ได้ยังไงเครื่องหมาย รู้ได้ยังไงเนี่ยนิมิตเครื่องหมายของเขาคือแก่ป่วยตายโศกะโศกบ่อยเสียใจบ่อยร้องไห้บ่อยลำบากใจบ่อยบ่อยอันนี้คือนิมิตของเขาวัตานเนี่นะเครื่องหมายของเขาเลยนะเครื่องหมายที่เห็นเห็นอยู่คือแก่ป่วยตายเสียใจร้องไห้ข้าควรวนแล้วก็อึดอัดมา ก, กานะขับแค้นใจเป็นอย่างมาก พวกนี้นิมิตพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรมกรรมก็คืออะไรอายุหนะเนะพอทำกรรมก็เพื่ออะไรเกิดป ต, ติสนธิ่ก็มองสามตำแหน่งใหญ่ๆนะการมาเกิดในชาตินี้ก็เป็นทุกข์เหลือเกินพวกนี้เป็นวิปากวัดทั้งหมดนะพวก การเกิดความเป็นตายคตินิมิตเครื่องไม้ความแก่ความป่วยความตายเป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวทุกโทมณัตอุปาญาตพวกนี้เนี่ยมันเป็นทุกขศัพท์ที่เห็นๆกันอยู่แล้วเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมเมื่อทํากรรมก็เพื่อไปเกิดใหม่นั้นแปลเป็นทั้งหมดนะสิบห้าธรรมง่ายๆนั้นก็คือวัตตะนั่นแหละตัวอายุหะณะเป็นกรรมวัต อ่นะอุปาธาปวัตตนิมิตอ่าอุปาธาปวัตตะพวกนี้เป็นวิปากวัตปฏิสนที่ก็เป็นวิปากวัตนิมิตส่วนที่เป็นอ่าพวกโสกปริเทวอุปายาตนะพวกนี้คลุกเคลือในสมุทัยไว้ด้วยกลุมคลุมกิเลสเอาไว้ด้วยรวบกิเลสเอาไว้ด้วยสรุปพวกนี้ก็คือเห็นภายในวัตตะว่ากุวัตตะนี้ประกอบไปด้วยถ่ายวัตตะไม่มีโทษ อยู่นะคันคอธิบายในปฏิสัมพิทธ์รรมัชที่อธิบายเรื่องนี้นะก็มีหลายแห่งแต่ว่าไปดูหน้าเจ็ดร้อยหกเนี่ย น, นะคาอธิบายก็อธิบายไว้ใหญ่ดีใครเอาเล่มเล่มห น, นามานะปฏิสัมพิทธ์ธรมเล่มหนาก็เปิดดูหน้าเจ็ดร้อยหกใครที่มีบาลีก็ดูแต่คำบาลีใน ในข้อสิบหกหน้าสิบสามก็ได้ในเอกสารเนี่ยนะก็ดูคาว่าอุปาทะอุปาทะคืออะไรความเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะกรรมเก่าเป็นปัจจัยที่มาเนี่ยนะมามาทุกคนมาก็เพราะกรรมเก่าพามามาเพราะกรรมเก่าใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอุปาทะความเกิดขึ้นในโลกนี้ถ้ากรรมเก่าไม่นำมาโอ้ไม่ได้มารอก แต่ว่ากรรมดีมาพามาใช่ไหมเป็นมนุษย์บุญพามาก็กรรมที่เป็นบุญมันพามาเ อ, อประวตะิความเป็นไป น, นะเมื่อเกิดมาแล้วกว็เป็นตายมาเรื่อยใช่ไหมดูแลกันมาเรื่อยอาบน้ําวันละสองครั้งอาหารวันละสามมือแปรงฟันวันละสองรอบบางคนนะนะบางคนก็สามอย่างเนงะี้ยผ้าเปลี่ยนวันละ กี่ชุดก็ว่าไปรองเท้าใช้วัลกี่คู่นะโอุ้่นวายจริงเลยนะอ่านหนังสือวันลกี่เล่มไปเรียนหนังสือวันลกี่วิชาถูกเขียนวันลกี่ครั้งป่วยวัครั้งละกี่รอบรอบละกี่วันก็ว่าไปอันนี้แหละประวัติตามันก็เป็นไปอย่างนี้แหละนิมิตเครื่องหมายคือสังขารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกร่างกายใจขันนัยตะนาทัศ ทีนี้พอมาเป็นอย่างนี้ก็ทําไงอายุหนะความประมวลมาก็เป็นไัยก็คือกรรมที่เป็นเหตุแห่งปฏิสนธินะของเรานี่ทํากรรมที่เป็นเหตุแห่งปฏิสนธิกันเยอะนะฮะใ น, นเรว่าอายุหนะส่วนปฏิสนธิก็เกิดต่อไปในภพใหม่ถ้าเกิดแล้วอนะหลังจากเกิดมาแล้วเป็นยังไงต่อไปก็คติถ้าเกิดแล้วก็เป็นไปตามคตินะเกิดในนรกบ้างเปรดบ้างสุรกายบ้างเป็นมนุษย์เทวดาเป็นต้นบ้าง พนิพัติก็คือความบังเกิดของขันธ์ทั้งหลายอุปาติความเป็นไปแห่งวิบากนี่นะความเป็นไปแห่งวิบากก็เป็นไปชาติก็คือชาตินี่มีภพเป็นปัจจัยอันเป็นปัจจัยของชรามรณะเป็นต้นชาตินั้นถ้าพูดตามสภาวะก็คือการเกิดขึ้นครั้งแรกในความเกิดขึ้ น, รนครั้งแรกแห่งขันธ์ทั้งหลายที่ปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในภพนั้นๆหลังจากเกิดก็แก่เพราะว่า กรรมเก่ามันค้ำค่าใช่ไหมหลังจากแกแก็ป่วยแกบ้างป่วยบ้างสลับพระเเ้ า, ากันไปถ้าทั้งแกทั้งป่วยอก็ในที่สุดตายจนได้นะพอตายแล้วก็โศกะร้องให้ก็ น, น้าดูเลยนะถ้าเจ้าของเนะี่ยโศกก่อนตายลูกหลานหรือญาตกิก็ตายแล้วก็โศกถ้าเจ้าของตัวของเขาเองก็โศกก่อนตายเดี๋ยวจะตายแล้วก็เสี ย, ยใจโหสังเสียกันน่าดูเลยนะ ที่นายกรรมเขียนแล้วทิ้งอีกทิ้งแล้วทิ้งอีกกันั่นนะนะเอาไงดีเนะี่ยตอนเข้ามาเยี่ยมมาเขียนให้ใหม่กลับไปเออเปลี่ยนเปลียนเปลนเขาเขาเล่าให้ฟังอนะปรีเทวาก็ท่ำครวนบ่นเพออยู่นั่นนะอูปายยากก็ทุก อ, อกทุกใจคับแค้นในใจเหลือเกินอึดอัดไปหมดเลยพันพวกนี้ เ, เรียกว่าเป็นวัตถุของอาทีธนวายาน นะอาร์ทีนวายามพวกนี้มันเป็นเป็นไทยที่น่ากลัวนะเป็นไทยที่มีรอบด้านอันที่จริงในหน้าไอ้อัตกระฐานมีอธิบายในหน้าสองร้อยหกสิบสามก็อธิบายนะไม่ใช่หน้าเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยแปดอย่างเดียวในหน้าสองร้อยหกสิบสามก็อธิบายเหมือนกันไม่ต่างอะไรกัน